นะได้เห็นอะไรสนุกๆนะหรือเราได้ยินนะสิ่งที่บันเทิงเริงใจนะทำให้เราตื่นเต้นนะหรือแม้แต่การที่เราได้ลิ้มรสอาหารนะที่อร่อยถูกใจนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขามีอยู่ในโลกนะซึ่งเราก็คงจะคุ้นเคยกันดีและไอความรู้สึกเพลิดเพลินนี่แหละ นะมันจะทำให้เราเผลอนะทำให้เราเพลินเราลืมตัวไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราที่จะต้องไปยึดไปถือนะแล้วก็ทำให้หนักหนักขึ้นมานะซึ่งก็เป็นความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นความรู้สึกตัวนะหรือว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นเครื่องมือสาคัญนะที่จะให้เราได้สัมผัสนะกับ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 นะเป็นความปกติสุขนะของใจที่มีอยู่แล้วนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นการทำบุญสูงสุดเรียกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ต้องเสียตังค์เลยนะซึ่งเมื่อวานท่านจันสุรินนะก็ได้พูดถึงการทำบุญนะมีตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลนะแล้วก็การภาวนานะและอย่างข้ออื่นอื่นอีนอก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 2วันสามวันเออดีขึ้นละนะก็เรียกว่าเบาขึ้นนะไปที่หอจดหมายเหตุจันพุทธธาสนะเออคนกรุงเทพปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็มีความสนใจเรื่องการฝึกจิตมากนะมีคนไปประมาณร5 0ยหาคนนะตรงนั้นก็แรกๆ ก, ก็เหนื่อยยากลำบากนะทุกยากเหมือนกันนะแต่ก็พออยู่วันที่สองนะก็ดีขึ้น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 ในส่วนของใจก็เหมือนกันนะในส่วนของใจเนี่ยนะการที่เรามีความคิดฟุ้งซ่านก็ดีความง่วงเหงาหานอนก็ดีนะนี่ก็เป็นอาการนะที่เขาจะแสดงออกมานะซึ่งก็ไม่ได้ยั่งยืนนะมันก็มาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ผ่านไปคนที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้ฝึกนะจิตมาดีเมื่อม ง, ง่วงนอนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการที่กลับไปนอนดีกว่า นะไม่ฝืนนะ่าไม่ทนไม่พยายามนะ่าก็โดนความง่วงนี่ครอบงำนะ่าก็ต้องกลับไปนอนยุนอนดีกว่าไม่สู้แล้วนะ่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราอ่อนแอเกินไปนะเราไม่สามารถที่จะไปเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้หรือความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นธรรมดานาะหน้าที่ของ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 เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสติมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นการที่เราได้พัฒนาได้สร้างจริงๆไม่ได้สร้างหรอกเป็นสิ่งที่เราปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตื่นขึ้นให้มันทำหน้าที่ของมันให้มันรู้เท่าทันกับความคิด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 นะก็คือความเคยชินที่จะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วเนเมื่ออะไรเกิดขึ้นนะภายในร่างกายและจิตใจเรานะเรากลับมารู้สึกตัวให้ทันได้เร็วนะตรงนั้นเนะี่ยมันยากแลนะทำยังไงที่จะให้มันต่อเนื่องนะตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านนะก็แนะนำไปแล้วนะโดยเฉพาะเมื่อวานหนวงพ่อคำเขียนนะได้มา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 นะก็คือเรื่องกายเรื่องใจรู้ให้ทุกแง่ทุกมุมนะของกายของใจที่เขาจัดแสดงออกมาเมื่อเราจเจริญสติได้บ่อยๆเรื่อยๆนะทำให้เกิดเป็นวิสัยเป็นความเคยชินเนะี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะมีความคมชัดนะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ละเอียดลออกเข้าไปเรื่อยๆนะภายในจิตใจของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้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 ที่จะเรียนรู้ในการที่จะฝึกต่อไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ในตอนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานว่าท่านทั้งหลายจงถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคติเตือนใจนที่จะให้เราไม่ประมาทก็คือมีสติสัมปชัญญะ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 การที่เราได้มาอยู่วัดป่าสุกโตแห่งนี้นเราได้ให้รางวัลให้ของขวัญแก่ชีวิตที่ธรรมชาติมอบให้แก่เราแล้วหรือยังและถ้าเราได้รับแล้วเราจะได้เอาอของขวัญเหล่านี้นไปกำนันแก่คนที่บ้านแก่คนที่เราคุ้นเคยแก่คนที่เรารู้จักซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่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 พระษีรันตนไตยทั้งสามประการนี้ด้วยความเพียรพยายามของทุกท่า น, นาที่ได้ลงทุนลงแรงลงกายลงใจไปจงเป็นพลวัตปัจจัยให้ทุกท่า น, นาได้พบกับที่สุดแห่งทุกคือความเป็นปกติของใจนซึ่งเป็นของขวัญหรือเป็นรางวัลที่ธรรมชาติมอบให้กับเราโดยทั่วกันทุกท่านเถิดเจริญพร